วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่หกพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นวันที่หยุดราชการศรัทธาญาติโยมจึงมีเวลาว่างไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อเข้าหาพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่พุทธบริษัทผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อได้มีความยินดีตามที่พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ทรงตัดสอนไว้ว่าความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเพราะความยินดีในธรรมจะทำให้เกิดได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนั่นเองถ้าไม่มีความยินดีในธรรมก็จะไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรม ต้องมีความยินดีเมื่อมีความยินดีก็จะแสวงหาธรรมเมื่อแสวงหาธรรมก็จะได้สัมผัสกับธรรมสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมคืออะไรก็คือรสแห่งวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นมาได้มีแต่ทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เกิดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะว่าถ้าตาบใดยังมีการเวียนว่ายตายเกิดลาบนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่ทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มาเกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่มาเกิดก็ต้องได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมผู้ที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมก็คือผู้ที่มีความยินดี ในธรรมนั่นเองจึงต้องมาวาัดกันเพราะที่วัดเป็นที่ผลิตธรรมเป็นแหล่งของธรรมถ้าต้องการสัมผัสกับรถแห่งธรรมก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่เป็นผู้ค้นพบธรรมอันประเสรศิฐคือวิบุติ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าไม่ยินดีในลถแห่งธรรมถ้าไม่ยินดีในธรรมเช่นไปยินดีกับลาบยศสรรเสริญยินดีกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะได้การเวียนว่ายตายเกิดเป็นของแถมมาเพราะว่า รสของลาบยศ ส, สรรเสริญรสของความสุขทางตาหูจมูกยิ้นกายเป็นรสที่ไม่ให้ความอิ่มความพอนั่นเองเป็นรสที่เหมือนกับยาเสพติดที่จะต้องเสพอยู่เรื่อยเสพแล้วก็หายไปก็ต้องหามาเสพใหม่ ได้มามากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มความพอกลับมีแต่ความอยากความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากจะสัมผัส กับราบยศสระเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังไม่มีวันหมดไปยังมีค้างมียังมีอยู่ในใจต่อไปเมื่อมีความอยากจะเสพราบยศสระเสริญเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่ กลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมามีตาหูจมูกดินกายอันใหม่เพื่อที่จะได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพพระใหม่เพื่อที่จะหาเพื่อที่จะได้หาลาบยศสรรเสริญใหม่นั่นเองไม่ว่าจะกลับมากี่รอบกี่ครั้งก็จะไม่มีความอิ่มความพอ ความอยากยังจะไม่มีวันหมดไปจากใจแต่กลับจะมีเพิ่มขึ้นมาตามลำดับขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าไปยินดีในลาบยศสรรเสริญยินดีกับความสุขทางตาหูจมูกลินกายก็เท่ากับการยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองแต่สำหรับปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ ที่ยังด้อยปัญญายังทึบด้วยปัญญาเป็นเหมือนกับปลาที่ไม่ฉลาดที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเห็นเพียงแต่เหยือ่อไม่เห็นเบ็ดที่ติดอยู่กับเหยือ่อไม่เห็นว่าถ้าไปฮุบเหยื่อแล้วจะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วถูกลากขึ้นไป จากน้ำเพื่อเข้าไปสู่หม้อกแกงต่อไปผู้ที่มีความยินดีในลาบยศสรรเสริญยินดีในความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมักจะมองไม่เห็นเบ็ดที่ติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญ ส, สุคนี้เบ็ดที่ติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญ ส, สุคนี้ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนั่นเอง มีแต่คนฉลาดคือพระอริยบุคคลเท่านั้นที่จะมีปัญญาเห็นว่าความยินดีในลาบยศสะลรเสริญความยินดีกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะลาบยศสร ะ, ะเสริญ ส, สุขนี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่กับเบ็ดติดอยู่กับ เบ็ดเบ็ดนี้ก็คือสังสารวัตรวัตตะสงสารตายพบที่เวียนไหยตายเกิดของปุถุชนของสัตว์โลกที่ถูกความโง่เขลาเบาปัญญาหลอกให้ไปตะครบเหยื่อกันแล้วก็ติดกับตะขอเบ็ดของการเวียนไหวาตายเกิด แต่สําหรับบุคคลที่ฉลาดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะรู้ว่าราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเบ็ดก็คือการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปหุบเหยื่อถ้าเป็นยินดีกับราบยศสรรเสริญยินดีกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะถูกตะขอเบ็ดของการเวียนว่ายตายเกิดเกี่ยวเกี่ยวใจไปให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดปุธุชนที่ไม่มีปัญญาจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปอยู่เรื่อยๆจิตจิตุตรชนผู้ที่เยินดีในลาบยศสรรเสริญ ในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นปุถุชนที่มีโมหะอาวิชชาครอบงำอยู่เป็นจิตใจที่มีโมหะอาวิชชาคือความโง่เขลาเบาปัญญาที่ไม่เห็นว่าลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดของการเวียนว่ายตายเกิดต้องอาศัยคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า หรือพระอาริยรสงสาวกถึงจะสามารถรู้ว่ากําลังตะคุบเหยื่อกันกําลังคุบเหยื่อกันคุบเหยือหหย่อที่มีเบ็ดติดอยู่ที่ที่เหยื่อนั้นพอคุบเหยื่อปั๊บก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเกี่ยวใจให้ติดอยู่การเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด การได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากเพราะจะได้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือว่ากำลังออกจากการเวียนว่ายตายเกิดพอพระพุทธพ ร, พระธรรมพระสงฆ์ รู้ทางของของทางทั้งสองทางนี้รู้ทางของการเวียนว่ายตายเกิดและรู้ทางของการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดทางของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือทางของลาบยศสรรเสริญทางของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองส่วนทางของการออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็ทางของการปฏิบัติทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าปฏิบัติทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปแสวงหาราบยศสรรเสริญไปหาแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอนนี่คือทางสองทางของของสัตว์โลกที่สามารถเลือกเดินได้ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเปรียบเหมือนกับป้ายบอกทาง เวลาที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดไปที่ที่เราไม่เคยไปเวลาขับรถบนท้องถนนเราจำเป็นจะต้องอาศัยป้ายบอกทางบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินทางไปสู่เมืองใดที่ไหนระยะทางใกล้ไกลเท่าไหร่ถ้าไม่มีป้ายบอกทางเราขับไปเราก็จะไม่รู้ว่าเราไป ที่ไหนไปถึงที่ไหนแล้วหรืออย่างอ่ั้นใดถ้าเราไม่มีพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่รู้กันว่าเรากาลังเวียนว่ายตายเกิดกันแต่ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการกระทาอย่างนี้ เป็นการพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันการกระทําอย่างนั้นจะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการหาลาบยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้เป็นการหา การเวียนว่ายตายเกิดเพราะจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยเนื่องจากราบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่สามารถให้ความอิ่มความพอกับจิตใจของพวกเรานั่นเองจิตใจของเราก็เลยต้องหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหู จมูกลินกายมาเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะถ้าไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานใจเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพยาเสพติดนี้จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากจึงต้องคอยหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆฉันใดลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เป็นเหมือนยาเสพติดที่ผู้เสพจะต้องคอยหามาเสพอยู่เรื่อยๆพอไม่มีร่างกายที่จะใช้เป็นเครื่องมือมาหาราบยลสบรศเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ที่ยังมีความยินดีกับลาบยศสรรเสริญยินดีกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เราพอได้ร่างกายอันใหม่ก็จะได้มาหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แต่การหาลาบยศสรรเสริญสุขนี้ ไม่ได้เป็นไปได้อย่างราบรื่นเสมอไปไม่ได้ความสุขเสมอไปเพราะบางเวลาก็ไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้เวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาเวลาได้มาแล้วแล้วต้องสูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกดังนั้น การหาลาบยศสละเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เป็นการหาความทุกข์มากกว่าหาความสุขอันนี้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะจะมองไม่เห็นจะไม่เข้าใจกันจะไม่เข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสละลาบยศสะเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย แล้วไปอยู่แบบคนยากจนอยู่แบบขอทานแล้วก็ไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบเพราะความสงบของใจนี้แหละเป็นลถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงเพราะว่าความสงบนี้จะให้ความอิ่มความพอต่อจิตใจ จะทําให้ใจไม่มีความรู้สึกหิวโหยกับสิ่งต่างๆไม่หิวโหยกับลาบยศสารเสริญไม่หิวโหยกับรูปเสียงกิริยลดผลถพะเมื่อไม่มีความหิวโหยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเวลาร่างกายตายไปก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ เพราะไม่มีความหิวกับลาบยศสารเสริญไม่มีความหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้เองดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าหาธรรมของพระพุทธเจ้าต้องมีความยินดีในธรรมเพราะเมื่อมีความยินดีในธรรม ก็จะมีการแสวงหาธรรมมีการศึกษาธรรมมีการปฏิบัติธรรมเมื่อมีการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็จะมีการบรรลุธรรมตามมาบรรลุลดแห่งธรรมนั่นเองบรรลุธรรมก็คือบรรลุถึงลถแห่งธรรมที่ชนะรดทั้งปวงลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือลถของความสงบ ที่เหนือที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังนัตติสันติปรังสุขขังแปลว่าไม่มีรสอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับรสแห่งธรรมนั้นเองที่จะดีเท่ากับความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือก ว, กว่าความสุขจากลาบยศสรรเสริญเหนือกว่าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะว่าเป็นความสุขที่ให้ความอิ่มความพอความพอนี่แหละเป็นตัวสำคัญเป็นรสเป็นรสของธรรมไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความพอกับใจได้อะไรมาเท่าไหร่ จะไม่พอใจจะอยากได้เพิ่มขึ้นเสมอไปได้คืบก็อยากจะได้ศอกได้ศอกก็อยากจะได้วาอยากจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ในสิบก็อยากจะเป็นได้ในร้อยได้ในร้อยก็อยากจะได้ในพันได้ในพันก็อยากจะได้ในผลอยากขึ้นไปเรื่อยๆได้แสนก็อยากจะได้ ร้านได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านแต่ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอตายไปก็ต้องกลับมาหาใหม่เคยได้อะไรมาตายไปนี่หายไปหมดเสียไปหมดเวลากลับมาเกิดใหม่ก็มาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ มาหาตำแหน่งใหม่มาหายศใหม่มาหาลาบหางเงินทองใหม่มาหาสรรเสริญให ม, ม่มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แล้วไม่ว่าจะหาได้ในระดับไหนก็ตามในที่สุดก็จะต้องสูญเสียไปหมดพอร่างกายตายไปราบยศสรรเสริญความสุขที่หาได้มา ทางตาหูจมูกล่างกายนี้ก็จะหายไปหมดเพราะใจไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ไม่สามารถเอาไปใช้ในภพหน้าชาติหน้าได้เช่นถ้าเราหาเงินได้ร้อยล้านแล้วตายไปแล้ว เ, เอาเงินร้อยล้านติดตัวไปได้ก็ดีเพราะเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราจะได้รวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านต่อไปแต่ มันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติของราบยศสัละเสริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันสิ้นสุดลงที่ความตายของร่างกายแล้วพอมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่มามาหาราบยศสัละเสญมาหารูปเสียงกลิ่นรสผลถภะใหม่ยกเว้นจากพวกที่ยกเว้นพวกที่ฉลาดพวกที่รู้จักเอ สร้างลาบยศสาะเสริญสุขของภพหน้าชาตินาให้รอให้รอใจเวลาใจไปเกิดใหม่คือพวกที่เชื่อบุญพวกพวกที่ได้ยินคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบุญนี่แหละจะเป็นทรัพย์สมบัติของพวกเราที่เราจะสามารถเอาติดตัวไปได้ เอาไปใช้ได้ทั้งขณะที่เวลาที่ไม่มีร่างกายคือเวลาอยู่ในโลกทิพย์ก็อาศัยบุญนี้ให้เป็น เ, เป็นทรัพย์ไว้สําหรับใช้สอยให้เป็นเศรษฐีบุญในขณะให้เป็นเศรษฐีในขณะที่อยู่ในโลกทิพย์และเวลากลับมาเกิดใหม่ก็สามารถกลับมาหาทรัพย์ ที่เคยมีไว้ได้ต่อไปใหม่อันนี้เป็นเรื่องของบุญแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการเวียนไห้ตายเกิดอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นบุญแต่มันก็ยังจะต้องพาให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาเวียนไวไาวตายเกิดมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายที่ไม่มีใครอยากจะทุกข์กันไม่มีใครอยากจะเจอกัน แต่ก็เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นห้ามไม่ได้เมื่อมีการเกิดก็ยังจะต้องมีการแก่การเจ็บการตายตามมาอยู่เสมอถ้าจะให้ดีอย่ามาเกิดดีกว่าถ้าจะไม่มาเกิดนี้ก็จะต้องเข้าหาธรรมลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงเท่านั้นก็คือต้องเข้าหาความสงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ถึงจะสามารถที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธได้มีวาสนาได้มีโอกาสอันดีที่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระพุทธหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์ ผู้ที่จะสอนให้เรารู้จักว่าอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจหรืออะไรเป็นโทษกับจิตใจ <Yeah. S 1> เมื่อรู้แล้วเราก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจแล้วก็หาสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจ <Yeah. S 1> เพราะใจนี่แหละเป็นตัวเราของเรา <Yeah. S 1> อย่างอื่นไม่ใช่ตัวเราของเรา เราไม่ต้องไปดูแลอย่างอื่นไม่ต้องไปดูแลร่างกายดูแลมากน้อยเพียงไรในที่สุดมันก็ต้องตายไปมันก็จะต้องสลายกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปมันไม่ใช่เราเราอยู่ที่ใจอยู่ที่ผู้รู้ผู้คิดนี่ที่จะมีความสุขได้ก็ต้องได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมรสของความสงบเทอนนั้น นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาเป็นชาวพุทธกันเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องปฏิบัติเราก็ต้องละต้องเลิกสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจแล้วเราก็ต้องมาสร้างสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจสิ่งที่เราต้องเลิก ก็คือการหาลาบยศสรรเสรินการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองเพราะเป็นการหาความทุกข์เป็นหาการเป็นการหาการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดให้เรามาหาความสงบการสงบนี้เราก็ต้องใช้บันไดไต่เต้าขึ้นไปเพราะความสงบนี้เป็นเหมือน ของที่อยู่บนยอดเขาการที่เราจะเข้าถึงความสงบได้เราต้องเดินขึ้นบันไดบันไดที่จะพาให้เราขึ้นไปถึงยอดเขาบันไดที่จะพาให้เราขึ้นไปนี้ก็คือการทําบุญทาทานการรักษาศีลการภาวนานี้เองอนี่คือธรรมที่เราควรยินดีการยินดีในธรรมก็คือให้ยินดีต่อการปฏิบัติ ทานศีลภาวนาเพราะเมื่อเรามีความยินดีเราก็จะได้ปฏิบัติเราจะได้เข้าหาทานเข้าหาศีลเข้าหาภาวนาพอเราเข้าหาทานเข้าหาศีลเข้าหาภาวนาเราก็จะเดินขึ้นบันไดขึ้นไปจนถึงยอดเขาจนถึงนัตติสันติระรังสุขขัง จนถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้ต้องอาศัยขั้นบันไดาพาเราขึ้นไปถ้าเราไม่มีบันไดเราจะขึ้นไปไม่ได้ถ้าจะให้ปีนเขานี่มันยากดูพวกที่เขาต้องปีนเขากับพวกที่เดินขึ้นเขาอย่างไหนจะสบายกว่ากันพอมีบันไดแล้วนี่เดินขึ้นเขาถึงแม้ว่าจะยากแต่มันก็ยัง สบายกว่าการปีนขึ้นเขาการปีนขึ้นเขานี้ก็อาจจะไปไม่ถึงยอดเขาก็ได้เพราะอาจจะตกเขาตายไปก็ได้แต่ถ้ามีบันไดให้เดินแล้วก็จะปลอดภัยจะสามารถเดินขึ้นไปจนถึงยอดเขาได้ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการสัมผัสกับลถแห่งธรรม ที่ชนะรสทั้งปวงนี้จําเป็นที่จะต้องมีความยินดีกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าไม่ปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วจะไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงยอดเขาขึ้นไปสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงได้ดังนั้น เราต้องมาเริ่มที่การทาบุญทาทานก่อนเพราะการทำบุญทาทานจะเป็นขั้นบันไดขั้นแรกที่จะพาให้เราขึ้นสู่ขั้นที่สองคือการรักษาศีลแล้วจากการรักษาศีลก็จะพาให้เราขึ้นสู่การภาวนาได้เพราะการปฏิบัินี้มันเป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือนั่นเอง การเรียนหนังสือเราก็ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมหรืออนุบาลแล้วก็ค่อยไต่ขึ้นไปสู่ชั้นมัธยมและชั้นอุดมศึกษาตามลําดับเพราะความรู้เหล่านี้เป็นขั้นบันไดที่จะสนับสนุนกันถ้าไปเริ่มที่ขั้นอุดมศึกษาเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านขั้น อ, อนุบาลขั้นปฐมหรือขั้นมัธยม ก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้เพราะจะไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในระดับนั้นได้จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ระดับต้นก่อนก่อนที่จะอ่านออกเขียนได้ก็ต้องรู้จกักเอ่อกอไก่ขอไข่ก่อนก่อนที่จะนับเลขได้ก็ต้องท่องเลขก่อนหนึ่งสองสามสี่ไปก่อนเป็นขั้นกานของการเรียนรู้ กระบวนการของการเข้าสู่รถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงก็เป็นเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับการศึกษา mm. ต้องเริ่มที่การทำทานก่อน mm. การทำทานนี้ทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการทำทานเพื่อก้าวขึ้นสู่บันไดเพื่อจะได้ไปถึงรถแห่งธรรมได้ ก็คือการเอาเงินทองที่เราไปใช้ในการหาราบยศสารเสนหารูปเสียงกลิ่นรสนี่เองเราต้องยุติการหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราใช้เงินทองไปใช้กับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเลิกใช้มันเหมือนกับถ้าเราเอาเงินทองไปซื้อยาเสพติด เราก็ต้องเลิกซื้ อ, อยาเสพติดถ้าเราซื้ อ, อยาเสพติดเราก็จะติดกับการเสพยาเสพติดไปเรื่อยเราก็จะไม่สามารถที่จะไปพัฒนาตัวเราเองได้เราต้องเอาเงินที่ซื้ อ, อยาเสพติดนี้มาซื้ออาหารแทนถ้าเรามาซื้ออาหารให้กับร่างกายร่างกายก็จะแข็งแรงจะมีกำลังวังชา ที่จะไปทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อไปได้ถ้าเราเอาเงินไปซื้อยาเสพติดเราก็จะเสพยาเสพติดแล้วเราก็จะไม่มีกําลังกายที่จะไปทำอะไรให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเราก็จะต้องตายไปนย่ในใดการที่เราใช้เงินทองเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย หรือใช้เงินทองเพื่อไปเลยหาราบยศสรรเสริญมาเสพมาสัมผัสนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการทำลายจิตใจเป็นการผูกใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองดังนั้นถ้าเรายังใช้เงินทองในรูปแบบนี้อยู่เราก็ต้องเอาเงินทองที่ใช้ในรูปแบบนี้มาใช้กับการทำบุญทำทานแทน เพราะการทําบุญทําทานจะทำให้ใจของเราได้อาหารจะทำให้ใจของเรามีกําลังที่จะก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติขั้นที่สองคือขั้นศีลและขั้นที่สามคือการภาวนาได้ตามลำดับนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินทองไปกับการหาราบยศสรรเสริญไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย เราก็ไม่ต้องทาบุญทำทานก็ได้เพราะเราจะมีกำลังที่จะขึ้นสู่ขั้นที่2 ส, สองและสามได้เราก็สามารถไปรักษาศีลห้าศีล8ปดได้รักษาศีลห้าศีล8ปดได้เราก็จะไปภาวนาต่อไปได้ยนันขั้นต้นนี้เราต้องมาแก้ปัญหาเรื่องการใช้เงินให้ถูก ยุติการใช้เงินที่เป็นโทษต่อจิตใจคือการใช้เงินทองเพื่อไปหาเงินทองเห็นบางคนมีเงินทองก็เอาเงินทองไปลงทุนไปซื้อหุ้นหรือไปเปิดบริษัทไปทำการค้าขายเพื่อจะได้มีเงินทองมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาเงินไปหาราบหรือบางคนก็เอาเงินไปหายดไปซื้อยดไปซื้อตำแหน่งต่าง ถ้ามีการเลือกตั้งก็เอาไปใช้กับการเลือกตั้งเพื่อที่จะได้เป็นเป็นสอสอเป็นนายกเป็นอะไรต่อไปต้องยุติการใช้เงินในรูปแบบนี้อย่าไปหาเงินเพื่อให้ร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมอย่าหาเงินเพื่อที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมากกว่าเดิมอย่าไปหาเงินอย่าไปใช้เงินเพื่อเอาหาการสรรเสริญเยินยอ ดังวี่รางวัลต่างๆมาอย่าไปใช้เงินเพื่อหาความสุขทางตาหูจมูกนกิ้วกายเพราะการใช้เงินแบบนี้จะทำให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดจะทำให้ไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าคือไปรักษาศีลไปภาวนาได้นั่นเองดังนั้นเราต้องยุติการใช้เงินแบบนี้ พราะเมื่อเรายุติการใช้เงินแบบนี้เราก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงินมาใช้เราก็จะได้มีเวลาไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมได้นั่นเองถ้าเรายังหาเงินหาทองเพื่อหาเพื่อใช้จ่ายกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นลอดอยู่เราก็จะต้องไปทำงานอยู่เรื่อยๆจะมีเวลามาวัดก็ต้องรอวันอย่างวันนี้ วันที่มีวันหยุดราชการที่เราจะได้เข้าวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมแต่มันก็มีจานวนน้อยมากไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้เราเข้าถึงลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้การที่เราจะเข้าถึงลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงได้เราต้องมีเวลาเราต้องเอาเวลาที่เราไปใช้กับการหาเงินใช้เงิน เพื่อหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ด้วยการยุติการใช้เงินแบบนี้เมื่อเรายุติการใช้เงินแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปหาเงินมาใช้เราก็จะมีเวลาถ้าเราหาเงินก็หาเงินมาใช้กับความจําเป็นสิ่งที่จําเป็นคือปัจจัยสี่เพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องทํางานมาก แทนที่จะทำงานอาทิตย์ละห้าวันเราก็อาจจะทำแค่อาทิตย์ละวันสองวันก็ได้เราก็สามารถทำงานแบบอิสร ะ, ะทำงานแบบไม่ต้องอยู่ในกรอบของเวลาที่บริษัทเขากำหนดไว้เราทำงานอิสระของเราพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะมีเวลามากเพิ่มขึ้น เราก็จะได้มีเวลาไปอยู่วัดไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมได้ไปภาวนาได้นี่คือหน้าที่ของการทำทานเพื่อดึงเอาเวลาที่มีค่ากลับมาอย่าให้อย่าให้เอาเวลาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าให้เอาเวลาไปหากับลาบยศสรรเสริญ ว่ามันเป็นการไปหาการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการไปหาความสุขไม่ได้เป็นการไปหาความอิ่มความพอแต่กับการไปหาความหิวความอยากอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองถ้าเรายุติการใช้เงินแบบนี้ได้เราก็ไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะได้มีเวลามารักษาศีลได้ถ้าเราไม่ต้องหาเงิน มากเราก็ไม่ต้องทำบาปกันส่วนใหญ่ที่ทำบาปกันก็เพราะว่าต้องใช้เงินมากต้องหาเงินมากและต้องการเงินแบบง่ายๆเร็วๆวิธีที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดก็คือการทำบาปเช่นคอร์รัปชันหรือการช่อกงหรือการหลอกลวงหรือการลักทรัพย์เนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินมากๆเราก็ไม่ต้องไป ทำบาปกันการรักษาศีลห้าก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายเพราะการทำทานนี้เป็นการเปิดทางให้เราได้ไปรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็จะสามารถเพิ่มการรักษาศีลเพิ่มขึ้นจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดได้หรือเป็นศีลสิบหรือเป็นศีลสองร้อยิบเจ็ดต่อไปได้เพราะเมื่อเรามีกําลัง รักษาแล้วเราก็จะสามารถเพิ่มกาลังขึ้นไปได้เรื่อยๆเหมือนตอนที่คนหัดวิ่งใหม่ๆวิ่งใหม่ๆตอนต้นก็วิ่งได้แค่ร้อยเมตรก็หอบแล้วแต่พอซ้อมไปเรื่อยๆจากร้อยเมตรก็เป็นสองร้อยเมตรจากสองเมตรต่อไปก็เป็นกิโลเมตรต่อไปก็วิ่งมาลาทอนได้เพราะกำลังจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ การปฏิบัติธรรมตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี้ก็เป็นการเพิ่มกําลังของจิตใจให้มีกําลังในการที่จะปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นนั่นเองจึงต้องเริ่มต้นที่ทำทานทำทานแล้วก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายกว่าคนที่ไม่ทำทานคนไม่ทำทานนี้จะมีแต่อยากได้เงินทอง ไม่อยากจะเสียเงินเสียทองแล้วก็จะไม่สนใจว่าเวลาจะได้เงินทองนี้จะได้มาในรูปแบบไหนขอให้ได้มาก็แล้วกันถ้าต้องทำบาปก็ยินดีที่จะทำบาปแต่คนที่ทำทานแล้วก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินทองด้วยการทำบาปก็จะรักษาศีหห้าได้อย่างง่ายดายเมื่อรักษาศีลห้าได้ ก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ก็ลองหัดดูก่อนอาทิะวันก่อนวันไหนสะดวกวันไหนว่างจากภาระกิจการงานก็ลองไปอยู่วัดไปถือศีลแปดดูถ้าไปอยู่วัดไปถือศีลแปดได้ก็จะมีเวลาภาวนาได้มีเวลาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบมีเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมตามลาดับต่อไป การปฏิบัติมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ที่เราสามารถตรวจดูสภาพของเราอยู่ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนเราทำทานได้หรื อ, อยังเราเลิกใช้เงินทองแบบที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเราได้หรื อ, อยังเลิกใช้เงินทองซื้อยาเสพติดกันได้หรื อ, อยังยาเสพติดของพวกเราก็คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ในรูปแบบต่างๆนั่นเองการไปเที่ยวก็เป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างหนึ่งการไปดูมหรลสบบันเทิงก็เป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างหนึ่งการไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราต่างๆก็เป็นการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกรูปแบบหนึง่งการไปมีแฟนมี เพื่อนไปร่วมหลับนอนกันก็เป็นการไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องพยายามเลิกการหาความสุขแบบนี้ให้ได้เราถึงจะสามารถไปอยู่วัดได้ไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าเรายังติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอยู่เราก็จะไม่มีเวลาเข้าวัด เช่นวันนี้วันหยุดถ้ายังติดอยู่กับการเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวถ้าติดอยู่กับการไปดูมหรสลพบันเทิงก็ต้องไปดูมหรสพบันเทิงถ้าติดอยู่กับการช้อปปิ้งก็จะต้องไปช้อปปิ้งตามศูนย์การค้าต่างๆก็จะไม่มีเวลามาวัดมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้วิธีที่จะถอดถอนจิตใจให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดน นี่คือการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ลดแห่งธรรมนี้จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็ข้ามได้ถ้าเราทำบุญทาทานได้แล้วเราเลิกใช้เงินในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วเราก็ไม่ต้องทำฐานก็ได้เรา ก็เอาเงินนี้มาใช้กับการปฏิบัติธรรมเพราะเวลาปฏิบัติธรรมก็ยังต้องมีการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่าอะไรอยู่เหมือนกันก็ใช้เงินกับสิ่งที่จําเป็นถ้าเรายังไม่ได้เป็นนักบวชถ้าเราได้ออกบวชเราก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินทองต่อไปไม่ต้องหาเงินทองไม่ต้องใช้เงินทอง เราก็จะได้มีเวลาอยู่วัดได้ตลอดเวลามีเวลาปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลานี่คือเป้าหมายของการทำบุญทําทานเพื่อให้เราได้มีเวลามีเวลาว่างที่จะเข้าวัดเข้าปฏิบัติธรรมได้ถ้าเรายังใช้เงินทองไปซื้อหาความสุขต่างๆอยู่เราก็จะไม่มีเวลาเข้าวัดเข้าปฏิบัติธรรมเข้าศึกษาธรรมกัน น, นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติต้องทําบุญทําทานเพื่อให้เราได้ <c oughs> เลิกใช้เงินทองไปในทางที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจเพื่อให้เราได้มีเวลาไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมพอเราไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องทาบุญทาทานแล้ว <c oughs> ทำบุญทำทานให้กับตัวเราก็พอคือหาอาหารหาสิ่งที่จำเป็นมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับเราแล้วเราก็เอาเวลานี้มาปฏิบัติธรรมได้มาศึกษาธรรมมาศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมว่าจะทําให้จิตใจเข้าถึงลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงได้นี้ต้องเข้าด้วยวิธีใด ถ้าเราศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าวิธีที่จะเท่าถึงความสงบนี้ก็คือการเจริญสตินี้เองต้องมีสติมาหยุดความคิดความปรุงแต่งให้ได้เพราะถ้าไม่หยุดความคิดปรุงแต่งใจจะไม่นิ่งไม่สงบนั่นเองเมื่อไม่นิ่งไม่สงบลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ถ้าต้องการให้ลดแห่งธรรมนี้ปรากฏขึ้นมาก็ต้องใช้สติคอยหยุดความคิดปรุงแต่งอย่าปล่อยให้คิดคิดเท่าที่จำเป็นคิดแต่เรื่องที่ต้องทำเท่านั้นเรื่องที่ไม่ต้องทำเรื่องคิดแบบเพอ้อเจอ้อเพอ้อฝันคิดกับความอยากต่างๆนี้ควรจะหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดพอคิดแล้วมันจะทำให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้ ปฏิบัติธรรมที่ไม่เคลือบหน้ากันก็เพราะว่าไม่สามารถควบคุมความคิดนี้ได้แล้วก็ถูกข้าศึกศัตรูของใจที่ไม่อยากให้ใจสงบนี้มาคอยหลอกให้ไปคิดโดยอ้างว่าเป็นการไปคิดทางปัญญาไปคิดทางวิปัสสนาซึ่งมันเป็นการข้ามขั้นตอนของการปฏิบัติการที่จะไปคิดทางปัญญาคิดทางวิปัสสนาได้นี้ต้องผ่าน ความสงบให้ได้ก่อนต้องทําให้จิตสงบจิตให้นิ่งให้ได้ก่อนถ้าจิตยังไม่นิ่งไม่สงบคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางวิปัสสนาก็จะทําให้จิตใจฟุ้งซ่านมากขึ้นไม่ได้ทาให้จิตใจสงบนะเพราะหนึ่งจะไม่มีกําลังที่จะควบคุมจิตใจให้คิดในทางวิปัสสนาในทางปัญญาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองเดี๋ยวพอเผอหน่อย จิตก็ถูกหลอกให้คิดไปในทางโลกโดยไม่รู้สึกตัวคิดไปในทางความอยากความโลภต่างๆโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นผู้ที่จ ะ, จะเจริญสมถะคือความสงบผู้ที่จะเข้าถึงลดแห่งธรรมที่จะนะั่ดทั้งปวงคือความสงบนี้จำเป็นจะต้องหยุดความคิดจำเป็นจะต้องหยุดการจเจริญวิปัสสนาไ ว, ไว้ก่อน ถ้าไม่หยุดการเจริญวิปัสนาไม่หยุดการเจริญปัญญามันจะขวางการจะทําใจให้สงบแล้วปฏิบัติไปกี่พบกี่ชาติก็จะไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้อันนี้ต้องเป็นขั้นเป็นตอนสมถะภาวนามาก่อนวิปัสนาภาวนาสมาธิมาก่อนปัญญาต้องมีสมาธิก่อน ถึงจะสามารถไปทางปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิมันคิดแล้วมันไม่ไปทางปัญญามันจะไปทางกิเลสตัณหาเสียมากกว่าไปทางความไปทางฟุ้งซ่านมากกว่าไปทางความวุ่นวายใจมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติกันส่วนใหญ่ถ้าลองไม่ได้เข้าถึงสมาธิแล้วไปทางปัญญาก็จะไม่มีวันที่จะไปถึง ลถแห่งธรรมที่ชนะลถทางปวงได้นจําเป็นที่จะต้องหยุดความคิดให้เป็นก่อนถ้าหยุดความคิดไม่ได้ใจจะไม่เข้าถึงธรรมอันเลิศอันประเสริฐได้วิปัสสนงวิปัสสนาก็จะเป็นการ เ, าเป็นการคิดปรุงแต่งไปเป็นการจินตนาการว่าลถแห่งธรรมเป็นอย่างนั้นลดแห่งธรรมเป็นอย่างนี้แต่จะไม่มีวันเข้าถึงลถแห่งธรรมที่เป็นของจริงได้ การจะเข้าถึงลดแห่งธรรมที่เป็นของจริงได้ต้องหยุดความคิดให้ได้และวิธีหยุดความคิดก็ต้องใช้สติคอยหยุดใจสติบังคับให้เพ่งให้ใจเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง น, นั่นแหละคือวิธีทำใจให้สงบกรรมฐานสี่สิบคือวิธีสี่สิบวิธีที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ด้วยการอาศัยอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นถ้าใช้พุทธานุสติก็การนะลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นการจเจริญสติอย่างหนึ่งเป็นการที่จะใช้สตินี้มาหยุดความคิดได้ถ้าเราใช้พุทธานุสติเราก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธความคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะคิดไม่ได้ ถ้าเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็พุทโธไม่ได้เพราะมันจะไปด้วยกันพร้อมกันไม่ได้ถ้าพุทโธมันก็จะไปคิดถึงขนมคิดถึงกาแฟไม่ได้ถ้าพอไม่พุทโธมันก็จะไปคิดถึงขนมคิดถึงพุทโธคิดถึงกาแฟได้ดังั้นเราต้องพยายามควบคุมความคิดให้ได้เพราะถ้าไม่ควบควมุมควบคุมความคิดเดี๋ยวมันคิดแล้วมันจะไปทางความอยากทันทีมันจะไปทาง การเวียนไหายตายเกิดเพราะถ้ามีความอยากแล้วมันก็จะต้องไปหาสิ่งที่อยากได้หามาแล้วมันก็ไม่อิ่มไม่พอหามาได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปหาใหม่หา อ, อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้เพราะเมื่อเราหยุดความคิดได้ใจก็จะเกิดความอิ่มความพอขึ้นมาเมื่อมีความอิ่มความพอก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปหาอะไร ขั้นตอนนี้ต้องมาหยุดความคิดทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้เป็นนัตเทสันติปลังสุขขังขึ้นมาให้ได้คือใ ห, ให้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงว่าเมื่อเราได้พบกับความสุขที่ดีที่สุดแล้วต่อไปเวลากิเลสมันมาชวนเราให้ไปหาความสุขแบบอื่นเราก็จะได้บอกว่าไปทำไมได้ความสุขที่ ดีที่สุดแล้วไปหาความสุขที่รองลงไปทำไมได้ได้รางวัลที่หนึ่งแล้วจะให้ไปรับรางวัลที่สองหรือที่สามทำไมไม่มีใครบ้าไปที่จะเอาไปเปลี่ยนรางวัลว่าได้รางวัลที่หนึ่งแล้วมีคนมาชวนบอกว่าไปรับรางวัลที่สองที่สามดีกว่านะไม่มีใครไปหรอกนอกจากคนบ้าทั้นหรือคนโง่เท่านั้นที่จะถูกหลอกว่ารางวัลที่สอง รางวัลที่สามนี่ดีกว่ารางวัลที่หนึ่งงั้นเราต้องพยายามเอารางวัลที่หนึ่งให้ได้ก่อนเพราะเมื่อเราได้รางวัลที่หนึ่งคือความสงบคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วทีนี้เวลากิเลสตัณหามันมาหลอกเราว่าไปหาความสุขจากการดื่มกาแฟดีกว่านะไปหาความสุขจากการกินขนมไปหาความสุขจากการไปดูหนังฟังเพลงไปหาความสุขกับแฟนดีกว่า เราก็จะได้บอกว่าไปทำไมเราได้รางวัลที่หนึ่งแล้วเราได้นัตสันติพลังสุขขังคือความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ถูกความหลอกความหลงมาหลอกให้เราไปหาความสุขที่ด้อยกว่านั้นเองแต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขจากรางวัลที่หนึ่งโอ้ยคใ่ให้รางให้รางวัลที่สองก็ดีใจแล้วรางวัลที่สามก็ดีใจอย่าว่าที่สามเลยขอให้เลขท้ายสองตัวก็เอา ใช่แต่ถ้าได้รางวัลที่หนึ่งแล้วใครจะเอาอะไรมาแลกไม่เอาทั้งนั้นอ่ะเอาเลขท้ายสองตัวมาแลกเหรอไม่เอาสามตัวไม่เอาเอารางวัลที่สองไม่เอาเรื่องอะไรได้รางวัลที่หนึ่งแล้วนั่นแหละสมาธินี่แหละความสงบนี่แหละเรียวกว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งของจิตใจเพียงแต่ว่ามันยังไม่พ้นอิทธิพลของกิเลสตัณหาที่จะมาคอยหลอกล่อให้เราสลัดทิ้งไปอยู่ กิเลตันหามันฉลาดมันพอเราออกจากความสงบนี้มันก็ทำให้เราเหมือนกับลืมรางวัลที่หนึ่งไปแล้วมันก็จะมาหลอกให้เราไปหารางวัลที่สองที่สามแต่ถ้าเรามันฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆฝึกอยู่เรื่อยๆจนไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมให้มันมีอยู่ติดกับเราอยู่เรื่อยๆทั้งในขณะที่เรานั่งอยู่ในสมาธิทั้งขณะที่เราออกมาจากสมาธิ ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ยังติดอยู่กับใจของเราอยู่ตอนนั้นเนะี่ยเราถึงมาใช้วิปัสสนาเพื่อที่จะมากำจัดกิเลสตัณหาที่จะมาคอยหลอกให้เราไปหาความสุขในรูปแบบอื่นว่าไปทาไมความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วความสุขที่กิเลสตัณหาต้องการให้เราไปหามันก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี เนมันตอนตอนนั้นแหละถึงจะมาใช้ปัญญาได้ใช้วิปัสสนาได้ถึงจะสามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆที่ยังไม่ได้ถูกกำจัดด้วยสมาธิได้สมาธิกำจัดความอยากไม่ได้เพียงแต่หยุดบันไว้ชั่วขา่าวแต่พอต้องออกมาคิดความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วถ้าไม่ระวังก็จะถูกมันหลอกให้ไปหาไปทำตามความอยากได้ อนนั้นน่ะถึงต้องมีใช้ปัญญาใช้วิปัสสนามาคอยเตือนใจว่าสิ่งที่ตัณหาต้องการความอยากต้องการนี้เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าไปหามาแล้วเดี๋ยวจะต้องน้ําตาตกในถ้าอยากจะไปหาแฟนเดี๋ยวจะต้องมาน้ําตาตกในเดี๋ยวแฟนจะทะเลาะกันหรือเดี๋ยวแฟนเขาก็จะไม่ไม่เอาใจเราหรือแฟนทิ้งเราแฟนแอบไปมีแฟนใหม่ แล้วทีนี้ความสุขที่ได้จากแฟนก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปอันนี้ต้องใช้ปัญญาคิดเหมือนถึงจะเลิกได้มันถึงจะเห็นว่าระวังจะถูกแฟนหลอกนะนเวลาเขาอยากได้เราเขาก็ดีกับเราพอเขาเราเขาได้เราแล้ว เ, เดี๋ยวเขาก็ทิ้งเรานะพอเขาเบื่อเราเขาก็จะไปหาคนใหม่ต่อไปอ่ะคิดอย่างนี้แล้วไม่เอาแฟนดีกว่ากลับไปเอารางวัลที่หนึ่งดีกว่ากลับไปอยู่กับความสงบดีกว่าเอ นี่คือสิ่งที่จะต้องทำตามขั้นตามตอนถึงจะสามารถที่จะเข้าถึงลดแห่งธรรมและรักษาลดแห่งธรรมให้อยู่กับเราไปได้อย่างถาวรการใช้สตินี่เป็นการก้าวหารดแห่งธรรมการใช้ปัญญาเป็นการรักษาลดแห่งธรรมให้อยู่กับใจไปตลอดไม่ให้จากไม่ให้หมดไปจากใจเพราะสิ่งที่จะมาทำลายลดแห่งธรรมได้ก็คือตัมหาความอยากต่าง ความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้ามีปัญญาปัญญาก็จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาที่จะมาทำลายลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงนี้ได้เมื่อมีปัญญาก็จะปกป้องรักษาลถแห่งธรรมให้อยู่กับใจไปอย่างทาวรต่อไปได้นี่คือลถแห่งธรรมที่แท้จริงต้องปรากฏขึ้นหลังจากที่ ได้ทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยปัญญาแต่ก่อนที่จะทำลายกิเลสตัณหาได้ก็ต้องสร้างลดแห่งธรรมขึ้นมาด้วยการฝึกสมาธิก่อนเมื่อได้สมาธิแล้วทีนี้ถึงพอมีลดแห่งธรรมแล้วทีนี้จึงต้องใช้ปัญญาเพื่อที่จะมารักษามาทำลายข้าศึกศัตรูที่จะมาทำให้ลดแห่งธรรมหายไปนั่นเองคือกิเลสตัณหา กิเลสตัณหาไม่ตายด้วยกําลังของสมาธิกิเลสตัณหาตายด้วยกําลังของปัญญาตอนนั้นนะถึงต้องมาพิจารณาตายละพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลแล้วมันจะทําให้ความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานี้หายไปหมดแล้วลดแห่งธรรมก็จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นอันสิ้นสุดลง ถ้ามีรถแห่งธรรมอยู่คู่กับใจไปตลอดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลตามมาต่อไปจิตใจก็ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจิตใจก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันต์ทั้งหลายคืออยู่ที่พระนิพพานนี่เองอยึงขอให้ท่านจงมีความยินดีในธรรมเพื่อที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรม ที่ชนะลดทั้งปวงการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิธิตังปทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพีติโยวิวาจันตุสภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโสุขีทีคายุโกภวะ อะพิวะาธานาสีลิตสนิจังวุธาปจายโนยตาารธรรมวาทานติอายุวันุสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะจะไม่ตอบหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วมีคำถามก็ถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สามร้อหสคนครับ y o u t u หนึ่งร้ยี่ิบคนครับวิทยุออนไลน์ยี่สิบ้าคนครับ พราฟังบนเขาหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนครับรวมทั้งหมดหก0้อยหกสิบคนครับรจาจารย์ถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากบนเขาเจ้าค่ะขณะภาวนาพุทโธพุทโธได้หายไปกายก็หายไปนึกถึงคำภาวนาพุทโธก็นึกไม่ออก ปรากฏเหมือนอยู่ในความว่างอยากเรียนถามอาการแบบนี้เป็นอย่างไรครับก็สติหายหรือเปล่าถ้าสติไม่หายก็แสดงว่าจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบแต่ยังไม่สงบเ ต, ต็มที่ <c oughs> ถ้าถ้าสติหายก็คือว่าหลับ <c oughs> <c oughs> ถ้ายังมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็ควรที่จะภาวนาต่อไป ถ้าพูดโธไม่ได้ถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไปหรือถ้าไม่ดูลมอคอยดูความคิดอย่าให้มันคิดเอคิดมันก็หยุดมันให้จิตอยู่กับความว่างจากความคิดเดี๋ยวจิตมันก็จะสงบเข้าไปมากขึ้นกว่านั้นลองมีสติคอยควบคุมใจอย่าปล่อยให้คิดปรุงแต่งคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกาบเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปขอพระอาจารย์ขยายประโยคข้อความนี้ให้ทีค่ะและหากเรานาเงินที่ได้จากทางมิชอบไปทำบุญจะไปในทางทิศไหนเจ้าคะคือบุญก็เป็นเหมือนบัญชีเงินฝากส่วนบาปก็เหมือนบัญชีเงินกู้นะมันคนละส่วนกัน การที่เราเอาเงินเข้าบัญชีเงินฝากมันก็ไม่ไปลบล้างบัญชีเงินกู้เงินกู้ก็ส่วนของเงินกู้มันฝากก็ส่วนของเงินฝากทําบุญก็ได้บุญก็ได้ความสุขได้ความเย็นความสบายทําบาป ก, ก็ได้ความทุกข์ได้ความร้อนมันไม่มาลบล้างกันมันมันต้องแสดงผลของมันไปเช่นถ้าเรา ไปขโมยเงินมาทําบุญเอเราก็ได้ทั้งสองอย่างเงินที่ขโมยมาก็เรียกว่าบาปแล้ว เ, เอาเงินนี้ที่ขโมยมาทําบุญก็เรียกว่าบุญเอทีนี้มันอยู่ที่ว่าทําทํามากทําน้อยขโมยมาร้อยแต่มาทําแค่สิบบาทนี่บาปก็ยังบาปก็ยังเต็มร้อยอยู่บุญก็ได้เพียงสิบบาท บุญก็ยังไม่สามารถมาต่อสู้กับบาปได้คือบุญกับบาปนี้จะมาต่อสู้กันตอนที่เราตายไปตอนที่ร่างกายตายไปบุญกับบาปจะมาเป็นผู้ที่จะมาดึงใจให้ไปในทางบุญหรือทางบาปถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปทางบุญคือไปทางสวรรค์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปในทางอบาย ทางนรกฉนั้นก็อยู่ที่ว่าในการดำเนิชีวิตของเราเราทําบุญกับทําบาปนี้มากน้อยต่างกันตรงไหนพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าพยายามอย่าทำบาปละการกระทําบาปทั้งปวงแล้วพยายามสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมถ้าเราทําบาปน้อยทําบุญมากเนี่ย ตายไปบุญมันจะมีกําลังมากกว่าบาปอย่างแน่นอนมันก็จะดึงให้จิตใจของเราไปสวรรค์ไดนะ้แต่ถ้าเราทําบาปมากกว่าทำบุญนะบาปมันก็จะต้องมากกว่าบุญมีกําลังมากกว่าแล้วมันก็จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายคําถามจากคุณพิมลค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ถึงวิธีการเอาชนะความเบื่อหน่าย ความท้อแท้เจ้าค่ะก็นราถ้าหยุดคิดได้มันก็จะทําให้ความเบื่อหน่ายความท้อแท้มันหายไปต้องมันฝึกสติเรื่อยๆเวลามีความเบื่อหน่ายท้อแท้ก็ให้ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้พยายามอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆเพราะการคิดถึงเหตุการณ์แล้วมันเบื่อมันเห็นเหตุการณ์ซ้ำซากมันก็เกิดความเบื่อหน่ายได้ เราอย่าไปคิดถึงมันมันก็จะลืมความเบื่อหน่ายมันก็จะหายไปเพระฉนั้นพยายามหัดฝึกสติไว้ให้เก่งเพราะสตินี้จะมาลบอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจของเราได้ใจของเราเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับกระดานดําสมัยนี้มีกระดานดําในห้องเรียนหรือเปล่าสมัยก่อนนี่มีกระดานดําเวลาครูจะสอนอะไรจะเขียนบนกระดานดํา แต่เวลาครูต้องการลบก็มีที่ลบอันนี้สติก็เหมือนที่ลบกระดานดำความคิดของเราก็เหมือนการเขียนสิ่งต่างๆบนกระดานดำยิ่งเขียนมากมันก็ยิ่งดูเละเทะไปหมดเต็มหน้ากระดานพอเราเอาที่ลบมาลบมันออกไปมันก็ว่างเป็นเ ย, ยนเวลาเราคิดเราก็ผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาในใจเราดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่เราก็ไม่รู้ว่าคิดอย่างไรถึงดีคิดอย่างไรถึงไม่ดีมักจะไปคิดในเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีแล้วเราก็ไม่รู้จักวิธีลบมันถ้าเรามีสติราหัดฝึกสติพุโทโธพุโทพโธพอคิดไปในทางอารมณ์ไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันพอหยุดมันหยุดคิดแป๊บเดียวอารมณ์ที่ผลิตจากความคิดไม่ดีมันก็หายไปยิงนั้นไปหายางลบไปหาที่ลบกระดานดาให้เจอ ตอนนี้พวกเรามีแต่ที่เขียนแต่ไม่มีที่ลบชอบเขียนเต็มไปในใจวุ่นวายไปกับเรื่องราวที่เราคิดกันแต่พอวุ่นวายขึ้นมาก็ไม่รู้จักรลบทิ้งมันไปบางทีเขาด่าเราตั้งแต่เช้าตอนเย็นก็ยังคิดถึงยังยังวุ่นวายกับคำด่าของเขาอยู่นั่นเพราะไม่มีสติคอยลบมันมันชอบกลับไปคิดไปเขียนถึงเรื่องที่เขาด่าเราเขาว่าเราอยู่นั่น ต่อไปนี้ถ้าเราไม่ฝึกสติเราจะไม่สามารถที่จะลบอารมณ์ต่างๆไม่ดีได้อารมณ์เบื่อนายอารมณ์ทอแท้เนี่ยมันก็เกิดจากความคิดของเรานี่อย่างถ้าเรามันเกิดอารมณ์เหล่านี้เราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกพุโทโธก่อนมันจะพุทพุโทโธไม่ออกพุโทโธได้คำสองคากลับไปคิดใหม่ละแต่ถ้าเรามันฝึกอยู่เรื่อยๆต่อไป พอเราต้องใช้พุโทโธมันก็พุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวแบบไม่หยุดหยุดจนจะหยุดก็เมื่ออารมณ์ไม่ดีหายไปคำถามต่อไปจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะกับเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทานเป็นพื้นฐานของนะักขอภัยค่ะทานเป็นพื้นฐานของการเป็นบันไดก้าวขึ้นสูงขั้นถัดไปต้องทําทานแค่ไหน ถึงจะมีกำลังพอในการก้าวสู่บันไดขั้นถัดไปเจ้าคะและความรู้สึกอย่างไรถึงเรียกว่ามีกำลังพอเจ้าคะถ้าเรา <c oughs> เอาเงินทั้งหมดที่เราจะไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปทำบุญเราก็จะไม่มีความต้องการจะมีเงินทองเราก็ไม่ต้องไปทำบาปไม่มีอะไรมากดดันให้เราทำบาปเราก็จะมีกำลังรักษาศีลได แต่ถ้าเรายังต้องใช้เงินทองไปซื้อความสุขซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าไปเที่ยวอยู่เงินวิอยพอใช้มันก็จะถูกบังคับให้เราไปหาเงินด้วยวิธีทำบาปเราก็จะไม่มีกำลังรักษาสีลได้ดังนั้นถ้าเราต้องเลิกใช้เงินในทางที่ผิดเมื่อเราไม่ใช้ใเงินในทางที่ผิดเราก็ไม่ต้องหาเงินในทางที่ผิดเราก็มีกำลังที่จะรักษาศีลได้ คำถามจากคุณภาศกรนะครับมี2คำถามครับคำถามที่หนึ่งเวลาเรานั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนลมหายใจเบามากจะรู้สึกเจ็บหน้าอกทุกครั้งล้ายเป็นโรคหัวใจเลยไม่สามารถเข้าฌานลึกๆได้เวลาออกจากสมาธิก็ปกติดีไม่มีอาการเลยครับก็อย่าไปสนใจมันดูไปเฉยๆ ดูลมไปอย่าไปสนใจกับอาการที่เจ็บขึ้นปรากฏขึ้นมาดูลมต่อไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้ามันไม่ตายถ้ายังมีลมอยู่ไม่ตายไม่ต้องกลัวดูลมไปเรื่อยๆคำถามที่สองครับนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงจากคิดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ก็กำหนดรู้ว่าจิตคิดและดูลมหายใจต่อไปก็ทำได้ เพ่งเป็นได้สองวันนี้อันนี้เขาเรียกว่านิวรในบงเล็บกามาฉันทะหรือเปล่าครับที่ถูกควรปฏิบัติอย่างไรครับเมื่อเกิดขึ้นอีกมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้ไหมครับก็รเราลึกถึงรูปภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายเวลาเราเกิดการอารมณ์เราหกฉันนไปถึงรูปภาพที่สวยงามของร่างกาย เราก็ต้องเปลี่ยนภาพใหม่แทนที่จะนึกถึงภาพสวยงามก็นึกถึงภาพที่ไม่สวยงามจะนึกถึงตอนที่คนตายตอนที่นึกถึงตอนที่เขาเป็นตอนที่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูสวยงามน่ารักแต่พอไปคิดถึงตอนที่เขาตายตอนที่ศพเขาขึ้นอืดนี่เน่าเปือ่อยหรือไปดูว่าอวัยวะที่มีอยู่ภายในร่างกายของเขามันก็จะทาให้การอารมณ์ ที่เกิดขึ้นนี้ดับไปได้ยังต้องไม่มันศึกษาน่างกายากายวิภาคษดูอาการ32ของร่างกายดูไปเปิดหนังสือ anatomy ของนักศึกษาแพทย์ดูหรือสมัยนี้เขามีการถ่ายภาพเวลามีการชันสูตรศพก็ดูในวันนี้ละคือร่างกายส่วนที่เรามองไม่เห็นคือส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง พอนึกถึงอาการเราตะต่างๆที่มีอยู่ใต้ใต้ผิวหนังมันก็จะทําให้ความรู้สึกอยากจะเสพการมันหายไปต้องมันศึกษาแล้วมันเอามานึกคิดอยู่เรื่อยๆให้มันติดตามติดใจเพื่อที่เวลาที่เราต้องการมันมันจะได้โผล่ขึ้นมาได้คําถามจากคุณชุติมาค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอารมณ์สุข ดูจะชอบมีความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาความจริงสุขทุกข์ก็เกิดดับแต่จะติดสุขเพราะสบายกว่าทุกข์หากเราเอาหมายว่าสุขก็ปล่อยมาสติพุทโธอย่างเดิมอะไรก็ไม่เอาแล้วอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกแล้ ว, ลวเอาความสงบนี่ดีกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งอื่น คำถามจากคุณซอซอค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์แนะนำการเอาชนะโทสะธรรมะก็ฟังอยู่ไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างบางครั้งแต่ก็เอาแต่ก็ยังเอาชนะโทสะไม่ได้เพราะอะไรคะขอบพระคุณค่ะเพราะไม่มีสติสตินี่เป็นตัวที่จะหยุดโทสะหยุดโมหะหยุดโลภะได้ หรือถ้ามีปัญญาก็ได้แต่ปัญญานี้มันไกลเกินไปสำหรับพวกเราเอาแค่สติก่อนดีกว่ามันง่ายกว่าฝึกสติหัดท่องพุโทโธหัดสวดมนต์ไปพอเกิดความโกรธก็สวดมนต์ไปพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปคําำถามจากคุณวันนิพาค่ะกราบนามสการเจ้าขาพระอาจารย์ โยมมีคำถามว่าโยมมีนิสัยในการทำบุญทำทานชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่เป็นคนโทสะแรงเวลาภาวนาจิตใจฟุ้งซ่านทุกครั้งที่นั่งหลับตาภาวนาแต่ชอบฟังธรรมบางครั้งจิตใจจะฟุ้งซ่านน้อยลงบางครั้งจิตใจสงบการฟังธรรมเจ้าค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าโยมควรหยุดนั่งสมาธิไว้ก่อน แล้วฟังธรรมให้มากกว่านี้หรือเราค่อยภาวนาหรือเปล่าเจ้าคะถ้านั่งสมาธิเราไม่สงบหรือไม่ได้ผลก็แสดงว่าสติยังมีกำลังไม่พอการฟังธรรมก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเกิดมีสติได้แต่มันกระู้การศึกบริกรรมพุทธโธไม่ได้ดังนั้นเราควรจะทำทั้งสองอย่างฟังธรรมด้วยแล้วก็เวลาที่เรา ไม่ได้ฟังทำเราก็บริกรรมพุทโธเพราะพุทโธนี้เราสามารถทำได้ทั้งวันถ้าเราไม่ต้องทำงานทำการใช้ความคิดเราก็ใช้พุทโธพุทโธไปเช่นช่วงเช้าก่อนจะไปทำงานนี้เราก็ฝึกพุทโธได้ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปเดินทางไปทางานก็พุทโธไปฝึกพุทโธไว เราจะจะมีกำลังเวลานั่งต่อไปจะได้นั่งได้สงบคำถามจับคุณตาตั้มค่ะนั่งสมาธิแล้วคิดโน่นนี่ควรแก้ไขอย่างไรครับก็ใช้สติพุทโธพุทโธถ้านั่งเฉยๆมันก็คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆยันต้องมีอะไรให้มันทำให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธบังคับมันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ตอนต้นมันอาจจะหนีไปแล้วก็อย่าไปสนใจดึงมันกลับมาอยู่พุโทโธพุโทโธตอนต้นมันจะเป็นเหมือนการชักกะเยาะกันพุโทโธสองคำมันวับไปแล้วมันก็พอว่าไปรู้ก็ดึงกลับมาพุโทโธใหม่เดินกันไปดึงกันมาอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่หยุดต่อไปพุโทโธก็จะชนะต่อไปมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คําถามต่อไป เขากราดค้าพระอาจารย์กระโหมเคยนั่งสมาธิแล้วจิตรวมดึงเข้าไปสู่ความสงบจิตสงบครั้งนั้นทำให้เป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไปแต่ทางโลกยังมีภาระที่ต้องอยู่ดูแลอยู่แต่ก็ภาวนาเรื่อยๆแต่พอจิตละเอียดแต่ไม่ถึงสงบแบบครั้งนั้นจะได้กลิ่นหอมอยู่บ่อยๆ ซึ่งคนอื่นไม่ได้กลิ่นแบบนี้คืออะไรเจ้าคะก็กลิ่นไงไม่ต้องไปสนใจมันก็รู้ว่ามันกลิ่นกลิ่นภายในก็เรียกกลิ่นทิพนะคนที่นั่งสมาธินี้จะสัมผัสกับรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพแทนที่จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะสัมผัสกับด้วยใจสิ่งที่สัมผัส ด, ด้วยใจเราก็เรียกว่าเป็นของทิพนะก็รู้ว่าเป็นของทิพใช่ไหมรู้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับ อนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเกิดสั่งให้มันดับไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเราไม่ได้นั่งเพื่อที่จะมาสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เรานั่งเพื่อสัมผัสกับความสงบขอให้เราติดติดอยู่กับพุทโธไปอยู่กับดูลมหายใจไปอย่าตามกับตามกลิ่นไปอย่าไปพิดสวงอย่าไปสนใจกับกลิ่นให้กลับมาอยู่กับพุทโธพุทโธถ้าเราใช้พุทโธ ถ้าเราใช้ดูลมหายใจก็ดูลมไปคำถามจากคุณประนอมค่ะเมื่อปุพภการีผิดศีลข้อสามเราเห็นไม่ถูกต้องแต่พูดไม่ได้แต่ทุกใจค่ะต้องทำยังไงดีเจ้าคะก็ใช้ให้ท่องธรรมะที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น แล้วใจของเราก็จะไดะ้เบาลงเพราะเราไปห้ามกรรมเขาไม่ได้เราอยากจะทําอะไรเราไปขวางเดี๋ยวก็โดนเขาเหยียบเอาอนอกจากเขามาขอความปรึกษาแล้วขอความช่วยเหลือว่าเวลาจะไปทําผิดศีลขอ้อนี้ช่วยห้ามหน่อยนะช่วยเอากุญแจมือมามัดหน่อยนะอะถ้าเขาบอกองนั้นก็ทําได้แต่ถ้าเขาไม่พูดไม่สั่งไว้ก่อนเวลาเขาจะไปทําก็เป็นเรื่องของเขาไปไม่เกี ไม่ชเรื่องของเราเราอย่าทำก็แล้วกันเขาทำก็เรื่องของเขาคำถามจากคุณนัทสิทธิ์ค่ะกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับขณะนี้กระผมมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและมีความทุกข์ใจมากกลับขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนําหลักธรรมเพื่อลดความทุกข์ในใจครับคือร่างกายนี้มันก็เป็นเรื่องของอนัตตา มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เราไปสั่งให้มันไม่เจ็บไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้จะให้มันหายก็ต้องหาหมอหายาหาหาหมอหายาแล้วก็บางทีก็ยังไม่หายเพราะฉะนั้นเราก็ทาได้ก็คือสักแต่ว่ารู้ไปกับมันรือว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไป เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันหายเราทุกข์เพราะเราอยากไม่ไม่อยากให้มันเจ็บเราต้องหยุดตัวนี้ถ้าหยุดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ทุกข์อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันหายได้ใจเราจะไม่ทุกข์กับมันใจเราก็อยู่กับมันไปได้วิธีที่จะหยุดความอยากก็ให้พุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆฝึกทำใจให้สงบพอใจพุทโธใจมีสติใจมีความสงบความทุกข์ก็จะเบาลง คำถามจากคุณจั ก, กริดค่ะสอบถามพระอาจารย์ครับเราศึกษาพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกและอ่านหนังสือหลักธรรมคําสอนจากครูบาอาจารย์แล้วนําไปปฏิบัติด้วยตัวเองกับเข้าปฏิบัติทางธรรมและสอบอารมณ์กรรมฐานตามสํานักปฏิบัติธรรมทั้งสองทางนี้ทางไหนจะได้ผลดีกว่ากันครับ ก็แล้วแต่เราไงก็ลองดูได้ทั้งสองทางถ้ามีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงก็จะดีกว่าการศึกษาจากหนังสือเพราะหนังสือไม่สามารถตอบสนองเวลาเรามีคําถามได้เวลามีครูบาอาจารย์เราสงสัยอะไรก็ถามจากครูบาอาจารย์ได้หรือเวลาครูบาอาจารย์เห็นว่าเรากําลังกระทําไม่ถูกท่านก็จะได้เตือนเราได้แต่หนังสือเตือนเราไม่ได้ คำถามจากคุณปิ๊กคะ่ะขอากาเียนถามเวลาที่เราทำบุญออกลงทานหรือทำอะไรดีๆเราจะลงในลายให้พี่ๆร่วมอนุโมทนาไปกับเราด้วยแต่พี่ๆเขาชอบพูดไม่ดีจะทำให้เขาบาปจะแก้อย่างไรดีเจ้าคะและบางคนบอกเราก็บาปไปด้วยเขาอยู่ดีๆททำให้เขาว่า เขาบาปเราก็บาปหรือเปล่าเช้าค่าพระอาจารย์เออไม่บาป เ, ร, เราทําความดีของเราบางคนไม่ชอบเห็นคนอื่นทําความดีก็เรื่องของเขาคนนานาจิตตังบางคนก็ยินดีเห็นคนอื่นทําความดีก็ดีใจไปด้วยบางคนเห็นคนอื่นทําความดีก็ตําหนิดตเตียนกลรหานินทาว่าทําเพื่อเน่าหน้าเอาตาทําเพื่อเอาลาบเอายศเขาจะพูดอะไรก็เรื่องปากของเขา อย่าไปสนใจขอให้เราทำความดีไปถ้าเราไม่จาเป็นก็ไม่ต้องป ร, ประกาศไปบอกใครก็ได้นอกจากมีผู้สั่งไว้ล่วงหน้าพี่ทำงานยทำบุญทาอะไรช่วยบอกด้วยนะจะขออนุโมทนาก็บอกเข้าไปแต่ถ้าถ้าไม่มีใครต้องการรับรู้ก็ไม่ต้องบอกใครปิดทองหลังพระ ด, ดีกว่าได้บุญเยอะกว่า เนี่ยพอไปปิดทางหน้าพระเดี๋ยวก็ได้ฟังเสียงข้หานินทาขึ้นมาความสุขที่ได้ก็ลดลงน้อยไปเพราะเริ่มกังวลวิตกกับคํา้อละหานินทาของคนนั้นคนนี้นฉะั้นถ้าได้ยินก็อย่าไปสนใจเรื่องว่าเป็นเรื่องปากของเขาละห้ามเราไม่ได้เราทําความดีของเราไว้ก็แล้วกันความดีของเราไม่ได้หมดไปหรือเสื่อมไปจากการข้อหานินทาของผู้อื่น บุญที่เราทำแม้จะลดน้อยถอยลงไปถ้าไม่มีใครอนุโมทนาด้วยคําถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามเจ้าค่ะกับเรียนสอบถามพระอาจารย์ขณะที่ข้าพเจ้าทําบุญ <c oughs> เช่นการตักบาตรข้าพเจ้าจะรีบร้อนไปตักบาตรในขณะเดียวกันก็จะร้อนใจกระวนกระวายกลัวว่าจะไปทํางานไม่ทันด้วยก็เลยอาจจะทําให้จิตใจ ขนาดตักบาทรทำบุญจิตอาจจะไม่นิ่งไม่สงบคิดไปเรื่อยเลยค่ะและทำให้ความสุขใจหรือความอิ่มใจไม่ดีเท่าที่ควรค่ะอย่างนี้ข้าพเจ้าจะได้บุญหรือไม่คะพระอาจารย์กบุญที่ได้จากการเสียสละก็ได้เพียงแต่ว่ามันได้ความกงังวลความวุ่นวายใจแถมมาบุญส่วนที่เราทํใส่บาตรก็ได้เหมือนเดิม แต่ว่าเราอาจจะทำในลักษณะที่ร้อนรนได้ว่าไม่รอบครอบไม่วางแผนเวลามันจกงไม่ค่อยมีอย่นถ้าเรารู้ว่าเราร้อนรนเวลาไม่ค่อยมีทำไมเราไม่ตื่นเช้ากว่า น, นี้หน่อยแล้วเตรียมตัวให้มีเวลามากขึ้นเราจะได้ทำอะไรได้อย่างสะดวกสบายไม่ร้อนรนนี่ความความเกียจค้านของเราหรือความอยากนอนของเรามันก็เลยมาเป็นตัวปัญหาได้ ก็ให้มันตื่นเช้าก่ออีกสักครึ่งชั่วโมงก็มีเวลาเหลือเฟือแล้วแล้วก็ไปดักพระที่ต้นทางไม่ต้องไปดับที่ปลายทางไปดักที่ปลายทางเข้าใจไหมอ่าเราต้องบริหารเวลาของเราใหม่เมื่อเรามีความจํากัดในเรื่องเวลาเราก็ต้องมาแก้ปัญหาเช่นนอนดึกเกินไปก็นอนให้มันเช้าขึ้นหน่อยจะได้ตื่นเช้าขึ้นได้หน่อย เคยดูหนังฟังเพลงในช่วงก่อนนอนก็หยุดมันแล้วดูให้มันน้อยหน่อยอะไรเราต้องมารู้จักวิธีบริหารเราถึงจะได้มีเวลามาทำบุญได้อย่างสุขอย่างสบายใจคำถามจากคุณชัยคะ่ะกับเรียนสอบถามพระอาจารย์เป็นทุกข์กับสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าที่ต้องมาทุพพลภาพกระทำหันหอยากหาทางออกในการไม่เป็นทุกข์ครับ เป็นทุกข์กับอะไรนั้นเหรอพูดดีๆนี่เป็นทุกข์กับสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าที่ต้องมาทุกพลภาพเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าเขาหรือว่าเราอะมันเรื่องใครเป็นมากเป็นเรวก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมของเขาคนที่ไม่เป็นก็เพราะว่าไม่ได้ทํากรรมมาก็เลยไม่ต้องมาทุกพลภาพก่อนที่ทุกพลภาพก็เพราะเป็นวิบากของเขา เขาไปทํากรรมมาไปทําให้ผูื่นเขาทุบพลภาพเขาก็เลยต้องมาทุบพลภาพต่ออันนีก็ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่กังวลไม่รู้สึกไม่สบายใจเพราะเราก็ทําอะไรไม่ได้ทําได้ก็เพียงแต่เลี้ยงดูเขาไปตามกําลังให้อาหารให้อะไรเขาไปอต่เราแก้ไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของกรรมของเขาหมดหรือยงังอ่ะ เอาสักครองคำถามน่าจะหมดแล้วคำถามจากทางไลน์ครับการบวชอะไรครั้งอย่างเช่นบวชในโครงการต่างๆระยะสั้นๆมีผลเสียอะไรไหมครับเพราะเคยมีคนพูดว่าชายสามบทไม่ดีครับมันไม่ดีตรงที่ว่าเหมือนกับมันไม่เอาจริงเอาจังเลยมันเอาแบบอพอหอมปากหอมคอเราก็กลับไปเที่ยวไปเล่นใหม่งั้มันจะไม่ได้มรรคผลนิพพาน ถ้อยากจะได้มากผลได้ผ่านได้ลดแห่งธรรมที่นจะลดทั้งปวงมันต้องบวชแบบไม่สึกนั่นแหละมันถึงจะได้ผลอ้าวคาถามต่อมายังมีได้ยังมีเวลาอยู่สองนาทีเขากาดหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูอยากถามจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้จิตเข้าสู่อัปปนาได้เจ้าค่ะก็ต้องมีสติทั้งวันทั้งคืนนะ ฝึกสติพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนอย่าให้มันคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับพยายามให้มันมีพุโทโธให้มากกว่าความคิดอย่างอืง่นแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะควบคุมความคิดหยุดความคิดได้มันจะมีสติได้ทั้งวันทั้งคืนก็ต้องไปอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนนั้นคนนี้เดี๋ยว ก, ก็ชวนกลุ่ยจวนชวนคิดจนพูดจวนทำน่นทานี่น ύ, ก็ต้องไปทำกับเขา นั่้องไปปีกวิเวกแล้วก็ไปเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเข้าสมาธิได้ ก, กานัวัตกรรมของพ่อนะคะ เ, เวลาเจริญสติอ่ะคะ่ะพูดไกล้ปากหน่อยได้ยินไหมคะอะค่ะเวลาเจริญสติอะกล้ะะปากหน่อยอเวลาเจริญสติอณักขนาดนี้เ อ, อได้มานั่งวิปัสสนาที่วัดยาน ใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีการก็คือใกล้ๆปากหน่อยใช่พูดใช่ใช้ยุบหน่อพองหนอล<อ>ะคะ<อ>แล้วก็บางคางก็<อ>ดูลม<อ>าหายใจ<อ><อ>ครานี้อยากเมื่อกี้พุ่งพ่อพูดให้บริกรรมด้วยพุทธโทบ่อยๆอยากทราบว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นพุทโธเนี่ยจะมั่นคงกว่าใน<อ>าไม่จำเป็นเ ร, เราถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นได้ถนัดพุทโธก็ใช้พุทโธถนัดลมหายใจก็ลมหายใจ ยุบหนอก็ยุบหนอไปแล้วแต่เราจะถนัดได้ทั้งนั้นแทนกันได้ ค, ค่ะขอบพระุพุโทโธดีตรงที่ว่าทําได้ได้อิเลยาบทอื่นก็ยังทําได้อยู่แต่ถ้าดูลมเลอดูยุบหนอพองหนอนี้มักจะทําตอนที่นั่งอย่างเดียวแต่ตอนเวลาเดินยืนทําอะไรนี้เราดูลมยากดูดูยุบหนอพองหนอยยากแต่ถ้าเราใช้พุโทโธนี้เราทําได้ตลอดเวลาอาบน้ําก็พุโทโธได้ล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธได้ เราก็สลับกันก็ได้ช่วงที่เราใช้พุทธโธได้ก็ใช้พุทธโธไปช่วงที่เราใช้ลมหายใจได้ก็ใช้ลมหายใจไปอ้าวเมื่อีมีคำถามได้ลายใช่ไหมคาถา ม, ม ว, าวันนี้ยังอ้าวอีกสองวันนี้แถมหน่อยอาจารย์หนูขออนุญาตก่อนนะเจ้ะคะเาค่ะอ้าวสามาคือเวลานั่งภาวนาไปสักครู่หนึ่งใช่ไหมเจ้ะคะแล้วก็บริการพุทธโธนะจ้ะคะ่ะเราผ่านไประยะหนึ่งก็ กลับมารู้ลมหายใจเรือัตโนมัติแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็ลงไปที่เหมือนลมหายใจอยู่ที่หน้าท้องเจ้าค่ะหรู้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเราต้องต้องตามเขายังไงคะหรือว่าประมาณว่าถ้าเขาอยู่ที่ที่หน้าท้องก็อยู่ที่ตรงนี้แบบนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะคือให้มันเอาที่ใดที่หนึ่งที่เห็นชัดมันชัดตรงไหนเอาที่เดียวอย่าตามคับอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ถ้าตอนต้นคิดว่ามันชัดที่ปลายจมูกก็ปลายจมูกก่อนแล้วต่อมามันนชัดที่กลางอกก็ไปอยู่ที่กลางอกแล้วก็อยู่ที่เดียวไปให้อยู่ที่จุดที่ชัดที่สุดที่ดูง่ายที่สุดนะคำถามจากคุณธิดาค่ะบ่อยครั้งนำอาหารไปถวายพระแต่ไม่ได้อธิษฐานจึงอยากถามว่าการนำอาหารไปถวายพระ ต้องอธิษฐานก่อนหรือเปล่าเจ้าคะเไม่ต้องอธิษฐานหรอกถ้าอธิษฐานแปลว่าขอเพราะว่าการขอไม่ได้เป็นการที่จะทําให้เราได้ได้บุญบุญกิดจากการทําบุญทําบุญแล้วไม่ต้องขอบุญมันมาแน่ๆขอเราไม่ทําไม่ได้บุญเหตุนคําอธิษฐานนี้มีสองความหมายความหมายของญาติโยงนี้เป็นคําว่าขอไม่ต้องขอทําไปเลยบุญมาแน่ๆ ขอไม่ขอมาแน่ๆส่วนอธิษฐานของทางพระนี่แปลว่าให้ตั้งใจตั้งใจบอกตัวเองว่าจะขอทำบุญไปทุกวันเนี่ ย, น, ย น, นี่เรียกว่าเป็นอธิษฐานเวลาตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้จะจ้าพระเจ้าจะทำบุญแบบนี้ทุกวันทุกครั้งที่จะทำบุญที่ลายก็บอกจะขอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะได้มีอะไรมาคอยบังคับให้เราไปทำต่อ เถ้าได้อธิชาอธิษฐานให้อธิษฐานที่การกระทําอย่าแม่อธิษฐานขอผลจากการกระทําอธิษฐานว่าบังคับว่าต่อไปนี้จะทําบุญเรื่อยๆรื่อหรือต่อไปนี้จะมาวัดทุกเดือนมาอยู่วัดปฏิบัติทำทุกเดือนอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานออีกข้อหนึ่งคําถามจากคุณจินค่ะรบ ก, กวนถามเจ้าค่ะเคยนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการตระคิวแต่พอหลุดออกจากสมาธิแล้ว ก็หายทันทีทุกครั้งเป็นแบบนี้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเจ้าคะก็ไม่ต้องไปสนใจนะให้อยู่กับการภาวนาของเราไปดูลมไปหรือพุโทโธไปนั่งกายจะเป็นอะไรถ้าเราทนได้ก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุโทโธก็อยู่กับการภาวนาไปไม่เช่นนั้นจิตมันจะวุ่นวายขึ้นมาจะไม่สงบเอาล้นะวันนี้เอาแค่นี้ก่อน